มุ่งจะถวายทรัพย์ต่นนี้มันติดเป็นนิสัยมาจนในความรู้สึกของเขาว่าถ้าได้ถวายเงินได้มากเนี่ยยิ่งได้บุญมา ก, กใช่ความรู้สึกของผู้ถวายนั่นก็ติดอยู่ในความรู้สึก <c oughs> แล้วยึดถือเอาเงินนั้นเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบุญข้าราวาบุญอยู่ที่นั่น <c oughs> บุญอยู่ที่เงิน <c oughs> ถ้าไม่ถวายเงินรู้สึกว่าไม่ค่อยได้บุญ <c oughs> ได้ได้ก็ไม่มากนิดหน่อย คุณพรูกพร้อมรู้สึกไม่เต็มใจเพราะฉะนั้นยอมสุวิจรจะต้องไปอธิบายให้เจ้าทรัพย์ทราบในหลักการนี้ตามพระวินัยเป็นอย่างนี้พระวินัยปรึกษาพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกให้แจ้งได้แค่จํานวนทรัพย์ที่เรานํามาถวายแต่ห้ามเจะตั้งเจตนาถวายทรัพย์ <Yeah. S 1> แม้จะเป็นใบปวารณาก็ตาม <c oughs> ใบปวารณาก็ไม่ได้ คือไม่ได้ในสำนักของอาตมานะสำนักอื่นเขาจะได้แล้วแต่สำนักอื่ น, นแต่ว่าสำนักนี้ไม่ได้เด็ดขาขอยืนยันว่าไม่ได้ันนเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของรับก็มันก็เป็นวิธีทำให้ถูกต้องให้บริสุทธิ์เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าทำอย่างบริสุทธิ์ขึ้นมามันก็จะได้ชี้แจงผู้ที่เขามีเจตนาในกา ร, รจะร่วมทาตรงนี้ เพราะเขายัางติดมาในรูปแบบเดิมๆที่เขาเคยทำแบบนั้นซึ่งมันไม่ถูกต้องแลวไม่มีผู้ใดที่จะชี้แจงตรงนี้ให้ได้ก็โยมที่ทำบุญที่นี่นำทรัพย์มาเสื้อมาก็นำไปไวก้กับคนบัตรแล้วก็มาแจ้งจมืวนทรัพย์มาเท่านั้นเท่านี้ทั้มาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้น ไม่ใช่ว่าโยมถวายเงินสําหรับพระอาจารย์ใช้สวยอย่างเ้ยังใช้ไม่ได้ไไดจะให้คนอื่นรับก็ตามภิกษุรับเองก็ตามก็ไม่ได้ต้องระบุว่าถ้ารักในในในส่วนที่จะมาถวายเพื่อที่สําหรับเรื่องอะไรอย่างเรื่องของอาหารก็ถวายถวายเป็นค่าพัฒนาร จะมันมันจะเป็นทุกเรื่องนั่นแหละในปัจจัยนสีเนาะนั่นให้ขอถวายทรัพย์จํานวนนี้ให้พระอาจารย์ใช้สอยในปัจจัยนสี่อันอนี้คือการถวายทรัพย์ครอบคลุมหมดแล้วมันคือคือการถวายทรัพย์นะภิกษุรับไม่ได้นั่นไม่ได้ดไม่ได้หากบอกว่าโยมได้นําทรัพย์ไปไว้กับไวยวายวัจกรเพื่อปัจจัยนสี่สำหรับพระอาจารย์พระอาจารย์ปรารถนาสิ่งใดก็ตามในปัจจัยนสี ขอพระ อ, อาจารย์จงใช้สอยด้วยเท่ากับจำนวนทรัพย์ที่โยมไให้ไว้กับคนวัดแต่โยมมาแจ้งจำนวนทรัพย์นั้นกับพระ อ, อาจารย์เท่านั้นเท่านี้ อ, อันนี้คือแจ้งจำนวนทรัพย์ต่าง ก, กันกับบอกว่าโยมได้ถวายโยมขอถวายทรัพย์จำนวน 10,000 บาทถวายพระ อ, อาจารย์เพื่อใช้สอยปัจใจสีอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ แต่บอกว่าโยมนำทรัพย์ไว้กับคนวัดเพื่อปัจเจ sĩ เดชพระอาจารย์จํานวนหนึ่งหมื่นบาทอันนี้ได้ท <Yeah. S 1> <laughs> ิกทิดหน่อยอันนี้พระก็จะพ้นโทษโยมก็พ้นโทษโยมก็ไม่ได้เป็นผูถ้ถวายสิ่งที่ผิดอันนี้ไม่ใช่แค่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้พูดถึงตัวเงิน น, นั่นี่คือไม่ได้เอาเงินมาถาวายกันแตจะจอันนี้แค่ <Yeah. S 1> แค่ลักษณะของการว่าเอาไปไว้กับคนวัดหรือไว้พระจารย์เนี่ยหากใช้คําพูดผิดก็ผิด <Yeah. S 1> ก็ผิดไนดะ้ ก, กับเงินถวายกรณีของกุฏิก็คือถวายกุฏิพระอาจารย์ถวายกุฏิเพื่อสงฆ์ก็เราเราจะทํากุฏิกันใช่ไหมล่ะเราจะทํากุฏิถวายแด่สงฆ์นี่ยโยมต่างๆมาจากแต่ละที่นะนำทรัพย์มารวมกันโยมแต่ละที่ประสงค์จะแจ้งให้ภิกษุทราบในอาวอาสนั้น ว่าโยมได้นําทรัพย์จํานวน 10,000 บาทหรือ5 0 0 0 0ืบาทหรือ 10,000 แบาทเพื่อถวายเพื่อสร้างกุฏิหลังใหม่แด่พิสูุน์สงหรือแด่สงถวายแด่สงด้วยจํานวนทรัพย์เท่านั้นเท่านี้ขอผูพ้พวกคุณเจ้าจงรับทราบผักรับทราบหรือเขียนไว้ก็ได้เขียนใส่กระดาษมาแล้วนํากระดาษนั้นอะ มาแจ้งแก่พระพิสุว่าโยมด้วยถวายทรัพย์เพื่อสร้างกุติแด่สจงจํานื้ทรัพย์เท่านี้ขอพระอาจารย์จงรับทราบก็ถาวายท่านอันนั้นถูกแต่ถ้าบอกว่าโยมขอถาวายทรัพในจํานวนเท่านี้เพื่อสร้างกุติเนี่ยไม่ได้ไไดถ้าเขารับไม่ได้จะได้มีการบอกแล้วครับถ้า ใช่ต้องแจ้งคนที่เป็นเจ้ารับให้ดีเพราะว่าส่วนมากคนความรู้สึกของเขาเขาไมาอา่อยากจะอยากจะถวายโดยตรงอยากจะเอาเงินม า, า, าทำไหวพยายามจะทําความเข้าใจก่อนนะครับบางคนมีรู้เรื่องมาถึงไปเห็นดอยที่เทตามายอยู่การะาลาหลังนั้นแหละเขาไปเห็นแล้วกรสลาหลังแรกมันเก่ามากเก่าแบบฟุดโฟมจนเขาว่าอยู่ได้ยังไงเรามาถึงก็ โยมขอถวายเงินพระอาจารย์หนึ่งแสนบาทไปเปิดบัญชีไว้ตมาตมาไม่มีบัญชีแลตมาก็ไม่รับเงินแล้วตามาถวายอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้ดเพราะผิดทําพระวินยัยบอกนี้เราจะให้โยมทำยังไงก็ไปถามคนวัดเขาดูที่เขาทำกันยังไงเขาทำบุญก็ไหลไปถามโน่น <c oughs> คนวัดเขากา็อธิบายให้ฟัง อ๋อเข้าใจพระไม่มีบัญชีธนาคารเป็นของตัวเองถ้ามีบัญชีธนาคารเป็นของตัวเองถึงแม้จะไม่ได้จับใใ่ายใช้สอยโดยตัวเองก็ตามนั่นเข้าก็บ่ายินดีในทรัพย์ที่คนอื่นเก็บไว้ให้ตนเองการยินดีในทรัพย์ที่คนอื่นเก็บไว้ให้ก็ต้องอาบบมีโทษแล้วก็มีโทษติดตัวตลอดชีวิตและตลอด24ชั่วโมงในการที่ยินดียึดถือไว้ ภิกษุก็ไม่ทราบว่าเป็นโทษไป แ, แสดงอาบัติก็ไม่ผลจะแสดงอาบัติแบบไหนก็ไม่ผลเพราะการจะแสดงอาบัติได้ต้องเอาทรัพย์นั้นมาสละต่อหน้าสงฆ์ mm hmm. อยู่ในบัญชีธนาคารเท่าไหร่กี่แสนกี่ล้านก็ต้องเบิกออกมาให้หมดปิดบัญชีเอามาสละต่อหน้าสงฆ์สละนี้ไม่ได้สลักให้สงฆ์นะหมายว่าปาาาระกาศสลัทรัพย์นี้ต่อหน้าสงฆ์ว่าไม่ได้เป็นผู้เจ้าของไม่เป็นเจ้าของแล้วก็ไม่ไม่ต้องการทรัพย์นี้ ขอสงดวงพิจารณาทรัพย์นี้ในสิ่งที่ควรสงก็จะนำทรัพย์นี้ไปทิ้งทิ้งในแม่น้ําบ้างทิ้งในป่าบ้างทิ้งในที่ไหนบ้างหรือหากมีโยมผ่านมาก็สละให้โยมคนนั้นไปซะอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ผิดแล้วถ้าหากว่าสละเพื่อไปไปทําในส่วนที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะครับเช่นอะไรบ้าง ไปซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับโรงพยาบาลที่ ใ, ในโรงพยาบาลไปทำโรงเรียนอะไรอันนั้นสละไปอย่างนั้นอะได้แต่ห้ามเอามาสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างศาลาสร้างโบสถ์ไม่ได้ก็คือต้องให้ออพ้นออกพ้น<ห>พออกจากกรรมสิทธิ์ของพระภิกษุและกรรมสิทธิ์ของสงฆ์ทั้งหมดนั่นคือทรัพย์ที่ได้มาโดยผิดผิดพระวินัยนะเป็นของมติ จ, จัมจรศลคือภิกษุ สมมติว่ามีอยู่หนึ่งร้านที่ถูกสาระออกมาแล้วก็ภิกษุแสดงอาบัติก็พ้นโทษแล้นะ พ, พ้นโทษก็คือกลับมาเป็นภิกษุปกติมีศีลในในสี่ขาวบทข้อนี้อันเป็นอันรักษาไว้ดีแล้วสองจะต้องนําทรัพย์นี้ไปทิ้งทิ้งคือทิ้งนะ <laughs> ทิ้งคือทิ้งแต่หากว่ามีคารวาะผ่านมามีความต้องการทรัพย์หรือหยิบหยิบทรัพย์นั้นไปใช้ก็ให้เขาเออกไปใช้ ไม่ต้องขอไม่ต้องข อ, อ, งอทิง้งทิท้งแล้วก็พิกษุจะต้องไม่ตามไปทราบว่าเขาจะเอาทรัพย์นี้ไปทําอะไรมันขึ้นอยู่กับคนที่นําทรัพย์ไปนั้นจะไปทาไปําอะไรเป็นเรื่องของคนคนคนั้นใช่ใช่จะไปทําดีทําร้ายเป็นเรื่องของเขาแต่ถามพิสูจน์ะสมว่ะจะไปสร้างโรงพยาบาล อ, อันนี้ไม่ได้อันนั้นก็คือยังยังติดอยู่ใช่ยังมีการสั่งการใช้ทรัพย์ พิสูจจะพูดได้เพียงแค่ว่าอาตมาต้องการจีวรอาตมาต้องการยารักษาโรคอาตมาต้องการกุฏิอาตมาต้องการแค่พูดได้แค่นี้อาตมาต้องการสิ่งนั้นสิ้ น, นได้แค่นี้เพราะฉะนั้นโยมที่เป็นมายาวัจากรต้องทราบความต้องการของพิสูจเมื่อทราบแล้วทรัพย์มีจํานวนเท่ากับสิ่งที่ต้องการไหมอย่างเัียหากซับไม่เท่ากับจํานวนที่ต้องการเช่นกุฏิในราคา100่งแหรือส0 0 0 0 0 ต่อหนึ่งหลังใช่ไหมล่ะแต่ทรัพย์มันมีอยู่ประมาณ5้าหมืน่นอย่างเงี้ยไม่พอบัยญั ว, ญญว จ, จกรจะต้องมาแจ้งว่าทรัพย์ไม่เพียงพอต่อสิ่งที่พระคุณเจ้าต้องการหาภิกษุบอกว่าเราจะสามารถใช้กุติที่มีราคาเท่ากับจำนวนทรัพย์ที่มีอยู่ในเวลานี้ได้ไหมก็เป็นความฉลาดของบยาวจากรเองที่จะ จัดการกุติหลังนั้นให้เท่ากับจํานวนทรัพย์ไม่ต้องมีขนาดที่พอดีวัสดุก็เอาธรรมาดาธรรมาดาอะไรโอเคเนี่ยจัดการนีงคืออย่างเช่นมันเป็นเ ว, เวลาเร่งรัดในการเข้าเข้าพรรษาถ้ามันเป็นพระวินัยเลยว่าพระจะต้องมีกุติยังไงก็ต้องมีกุติมจำพรรษาในที่ที่ไม่มีกุติไม่ได้ผิดพระวินัยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพระจะเอวยปากได้เฉพาะปัจเจศีแต่จะเอวยปากเอาเงินนั้นอะไปใช้ไม่ได้ ก็มีมีรอบที่ไปปลูกกระสีหมหาโพธิ์นะ hmm. ขณะที่เดินทางไปอยู hmm. ่เนี่ยก็จะมีครับเดินกลางทางเหมือนกับเดินทุดงปร hmm. ากฏว่าโบกให้จอดบ่บอยก็จอดแล้วก็มีน้ำไม่ขอน้ําสกุลก็ให้น้ําไปขอให้น้ําไปเสร็จแล้วบอกว่าจะไปงานศพตรงนี้ตรงนี้จะขอติดรถไปด้วย อหันมาเห็นป้ายเกี่ยวกับเรื่องราวของพระศรีมหาโป้ก really like ็ชะนักไปนิดหนึ่งแล้วก็เป็นเอ่ยปากขอตังค่ารถได้ไหมก็เลยสกิบบอยไม่ใช่และแบบนี้อันนี้เขาเขาเริ่มป่าปลามกันแล้วนี่เริ่มกวาดล้างกันเรื่องพระพระนอกรีิที่ไปเดินตามถนนแล้วขอเงินจากชาวบ้านจะอาจจะไม่ใช่นอกรีิอาจจะเป็นพระที่บวชถูกต้องตาม ยติจะตุทกรรมมวาจานี่แหละตามตามตามที่ทั่วไปเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่ไ ม, ไม่รู้รจักพระวินยัยหรืออาจจะไม่ได้ศึกษาพระวินยัยหรือไม่ได้ถูกอบรมมาดีไม่ได้ถูกครูบาอาจารย์แนะนํามาดีก็ไปทําพฤติกรรมอย่างนั้นอันนี้ก็าเา เ, าเริ่มวาดลัางกันแล้วแต่บางทีก็ราว่ามีแก๊งพระปลอมอะไรเงี้ยเยอะเราก็มองดูได้ไง่ายถ้าเรารู้พระวินยัยเราก็รู้ได้ว่าพระที่เป็นพระภิกษุนั้นจะต้องไม่เอ่ยปากขอเงินโดยประกันทั้งปวง แต่เอวยปากขอในปัจเจียสีได้ขอใครก็ได้ <จะ S 1> ปัจเจียสี<อ>่น ะ, นะขอหน้านี่ก็ถือว่าได้อยู่จะขอเฉพาะบุคคลผู้ปวารณาอ๋อเฉพาะไม่ไใช่ว่าทั่วไปใช่ที่ปวาปรณาปวารณาคือเปิดโอกาสให้ขออย่างเงี้ยกับโยมอุปัทานกับผู้ปวารากับบุคคลผู้ปรารธนาจะทําเช่นมีโยมมา เห็นความลำบากในการเดินเดินเท้าของพระพิสุแล้วยองก็บอกว่าพระคุณเจ้าปัถนาอะไรในปัจเจี่ยขอพระคุณเจ้าจงเรียกร้องหรือว่าบอกให้แกยโยมอันนี้คือปภารณาเนะี่ยทีนี้คำว่าปัจจัยสีก็คือเข้าใจว่าเป็นเงินเงินเงินคือปัจจัยสีโนเข้า ความรู้ของพุทธศาสนามันมันอ่อนด้อยขนาดนั้นเลยเหรอถุกวันนี้เข้าใจว่าปัสสเดชใจสีเป็นเงิ น, นเงินหมดแล้วครับถูกตีความว่าเปนอย่างนั้นหาเข้าใจว่าปัจเจศีเป็นเงินเท่ากับเข้าใจหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าผิดเมื่มเอเข้าใจหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าผิดศาสนาที่เรานับถืออยู่ก็ไม่ใช่ศาสนาที่เป็นศาสนาที่เรากําลังนับถือ ันเป็นศาสนาที่ผิดไม่ใช่เพื่อ d o s a n อย่างนั้นมาเลยมองให้เห็นเรื่องราวของคนในสังคมที่เป็นอยู่ที่นับกําลังนับถือพ s e u d า s a n อยู่ในเวลานี้ว่า ล, ล้วนแล้วประกอบไปด้วยความงมงายกันทั้งนั้นหลงเข้าใจในสิ่งที่ผิดว่าเป็นถูกเข้าใจว่าปัจจัยสี่คือเงินกันทั้งนั้นถามว่าเงินนี่คือปัจจัยสี่ไหม เงินเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยสี่ไหมเขาเป็นส่วนหนึ่งอยู่เงินเป็นอาหารหมมันมันไม่ได้เป็นโดยตรงแต่มันไม่ได้เป็นโดยตรงเงินเป็นที่อยู่อาศัยไหมมันก็แลกเปลี่ยนอยู่ดีเงินเป็นเครื่องลุ่งห่มไหมมันก็แลกเปลี่ยนได้แลกเปลี่ยนได้เงินเป็นยารักษาโรคไหมเป็นเหมือนกันก็คือแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแสดงว่ามันไม่ได้เป็นโดยตรงปัจเจียสี่ก็คือ อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องดูดหอยยารักษาโรคนี่คือปัจจัยสี่นะครับปัจจัยสีแต่เงินไม่ใช่ปัจจัยรับอย่างเงี้ยเมื่อเงินไม่ใช่ปัจจัยสี่ที่สูจะไปขอตัวเงินตรงๆไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ก็คือถ้าต้องการยา ก, ก็คือบอกบอกยาต้องการยาบอกยาก็ไปไปซื้ อ, อยาไม่ได้ ก็ไปหาหมอบงคงบอกเอาแล้วแล้ข้ารถไปโรงพยาบาลล่ะก็ขอติดรถยนเข้าไปไม่ได้เลยธรรมาก็ว่าติดรถยนตเข้าไปไม่มีใครยอมไม่มีใครยอมไม่ขึ้นเป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีใครยอมไม่ขึ้นคันนี้เขาไม่ยอมไม่ขึ้นคันต่อไปก็ต้องยอมให้ขึ้นคันต่อไปไม่ยอมไม่ขึ้นต่อตไปก็ต้องยอมไม่ขึ้นคันต่อไปไม่ยอมหรือไม่มีรถคันไหนรับเราขึ้นไปเลยเดินดื่มน้ําปัสสาวะเดินถ้าเดินไม่ไหวนะเดินเดินไปโรงพยาบาลได้ไหมเดิน้ําปัสสาวะ แล้วกำหนดกิจอยู่ว่าหายก็หายไม่หายก็ไม่หายแค่นั้นเองอตาตมาก็ทําอย่างนั้นสมัยอยู่ในป่าแต่โยมเข้าขึ้นมาดูไม่เห็นอาการพระเห็นเห็นอาการของอตาตมาในป่านะโยมก็ขึ้นมาดูเองก็ เ, เห็นว่าโอ้ไม่ไหวแล้วพ า, พาอาจารย์ไปโรงพยาบาลดีกวา่าก็ยังมีคนพาไปไม่ได้ไปขอใครน้อมใจอยู่ว่าหายก็หายไม่หายก็ตายตรงนั้นก็คือสะละแล้วสะละแล้วก็ก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิพระ ไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วนี่ใช่ไหมไม่มีพี่ไม่มีน้องแล้วสละคือสละเนี่ยทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีหน้ามีตาอะไรในสังคมเขาหรอกพระคือเป็นผู้ไม่มีฐานะอะไรเลยในทางสังคมนี้เป็นเพียงแค่ผู้ขอและอาศัยปัจเจศีของชาวบ้านในความเป็นอยู่เนี่คือความเป็นพระต้องเป็นอย่างนั้น แต่ก็อยู่มาได้อยู่มาได้ไม่ได้ไปโรงพยาบาลไม่ทันก็ไม่ได้เป็นไรนึกได้พุทธเจ้าดื่มน้ําประสาะก็ดื่มดื่มน้ําประสาะก็โน้มใจไปตายก็ตายไม่ตายก็ก็รอด ก, ก็อยู่แต่จะรักษาพระบัญญัติรักษาพระวินัยรักษาในสี่มิวงรง กำหนดไว้ถึงจะถูกต้องจะน้อยนะที่จะทำได้แบบที่ทำได้แบบนี้น้อยก็เพราะว่าขาดความรับผิดชอบกับศาสนาที่ตนเองปฏิบัติอยู่ขาดความรับผิดชอบในพวินัยที่ตนเองรักษาอยู่ขาดความรับผิดชอบภายในตนเองที่ตนเองกำลังอาศัยศาสนาและอาศัยพวินัย ดำเนินชีวิตให้เป็นไปเพื่อจเจริญความงอกงามในหลักธรรมหลักวินัยนี้เมื่อไม่รับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้ก็หวังอยาก จ, จะเจริญในศาสนาอยังไงก็จเจริญไม่ได้จเจริญไม่ได้เพราะ ใ, ใจยังเกาะเกี่ยวหรือว่าเป็นศรัทธาที่ยังไม่มั่นคงหรือว่ายังไม่ศรัทธาจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงก็ตามต้องเข้าใจจุดยืนของความเป็นพระให้ชัดเจนว่าเราเป็นพระเพราะอะไร ทำไมต้องมาบวชเป็นพระทำไมเราต้องใช้ชีวิตในความอยู่เป็นพระทำไมเราต้องแต่งกายอย่างนี้แต่งกายอย่างอื่นไม่ได้เลยใส่เสื้อไม่ได้เลยใส่หมวกไม่ได้เลยใส่กางเกงไม่ได้เลยมันก็ไม่ได้เครื่องเครื่องเครื่องแบบของพระภิกษุก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่คือเครื่องแบบที่ไม่เหมือนชาวบ้านและจะต้องไม่มีอะไรแบบชาวบ้านเป็นเครื่องแบบของผู้สละทุกอย่างที่ชาวโลกเขามีอย่างที่เขายึดถือครอบครองอยู่ ต้องสละหมดมมแล้วไม่ใช่แค่สละสิ่งเ้นนะต้องสละแม้กระทั่งชีวิตและร่างกายของตนเองด้วยถ้าไม่รู้จักจุดยืนตรงนี้เวลาไม่มีข้าวไปอยู่ในที่ธุระกันนานไม่มีข้าวกินก็ต้องพกตังค์ไปซื้อข้าวแบบชาวบ้านจิตใจก็จะเกิดความหวั่นไหวเลยใช่หมหหลังก็แล้วก็มองจิตที่บําเพ็ญภาวนาอยู่ก็จะมุ่งแต่ว่าทรัพย์จะได้มากหรือได้น้อย การปฏิบัติต่างๆก็เลยเป็นไปเพื่อแสวงหาทรัพย์มันจะเป็นเจริญได้อย่างไรล่ะศาสนามันต้องกล้าสละชีวิตแม้มีมีใครมาใส่ข้าวให้กินเดินไปท่ามกลางหมู่บ้านที่เขานับถือคิดซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขานับถือคิดก็เข้าใจว่าเป็นคนเหมือนกันเขาก็น่าจะใส่บาตรให้กับเรา ไปถึงแล้วเขาเป็นศาสนาคริสต์ใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่มีใครใส่บาตรไม่มีใครใส่บาตรกิตใจวันไวไหมว่าวันนี้จะได้กินหรือไม่ได้กินไม่หวันไวต้องไม่หวันไวนะถ้าวันถ้าวันไวขึ้นมาแล้วเราจะอยู่ยังไงว่าอย่างนี้ไม่ได้อันนั้นคือคือเริ่มเริ่มคอนแคนนะไม่กินก็คือไม่กินไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็แค่นั้นเนี่ยตัดสินใจอย่างนี้เลยต้องแค่นั้น ต้องรู้จุดยืนจุดยืนของพระต้องทาอะไรเป็นยังไงแบบไหนต้องรู้อย่างเงี้ยการบําเพ็ญกา ร, รปฏิบัติแต่แต่การบําเพ็ญปฏิบัติกับการสเสวยผลต่างกันแน่สิหนิไม่เหมือนกันแล้วนะเอาสเสวยผลที่เป็นยังไงเสวยผลหมายถึงว่าผ่านการปฏิบัติในชั้นเรียกว่าผ่านเป็นผ่านตายหรือช่วงแห่งความเป็นความตาย ผ่านมาแล้วจิตใจมั่นคงไม่คอนแคนใน้ก็ได้สาระแก่นสารในทางศาสนาได้หลักธรรมเป็นเครื่องตั้งมั่นอยู่ในจิตได้รู้จักธรรมชาติได้ที่สบายแห่งใจก็อยู่ในชั้นชั้นของการเสวยผลคือเสวยผลทั้งอริยมรรคทั้งอริยผลที่บังเกิดขึ้นในจิตในใจเสวยผลทั้ง สิ่งที่เขาจะนํามาบูชาใช่ไหมล่ะพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นบุคคลผู้อาหุเนโยคืออะไรอาหุเนโยคือควรค่าแก่การบูชานี่ยอาหุเนโยเนี่ยควรค่าแก่การบูชาบูชาด้วยอะไรปัจจัยสี่ใช่ไหมล่ะอันนี้ควรค่าแก่การบูชาปาหุเนโยควรค่าแก่การต้อนรับ ถ้า ก, กินนโยควรค่าแก่ทักษิณาทานอัญชลีกนิโยควรค่าแก่การกราบไหว้เนี่ยคือการเสวยผลเพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดของการเสวยผลแล้วเป็นอาหุเนยโยปาหุเนยโยท้า ก, กินโยกับอัญชลีกนันยโยเนี่ยแม้จะมามากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้ทําให้จิต ห, หมายถึงว่าไม่มีอาหารกินจิตก็ไม่หวั่นไหวใช่ไหมมีอาหารเต็มไปหมดจิต ก, ก็ไม่ได้หวั่นไหวต่ออาหารนั้นว่าเรามีอาหารกินเยอะอะไรประเภทนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้หวั่นไม่ได้หวั่นไหวนะ ก า, การที่ไปยินดีอยู่ว่ามีเครื่องสากการะมีอาหารมีอะไรมาเยอะนี่แล้วจิตเกิดยินดีอันนั้นคือว่าความมันไว้อย่างหนึ่งนั่นน่ะม mm hmm. ันไว้วันไว้ของจิตจิตจะต้องวางอยู่เสมอทั้งมีกินกับไม่มีกินนี้จิตจะต้องอยู่ ป, ปกติหมายถึงว่าหากวาละใดที่ไม่มีอาหารเลยหรือไปอยู่ในที่ที่คนที่ไม่มีศรัทธาเลย หรือศรัทธาหมดไปแม้ไม่มีอาหารกินก็ไม่ได้พิตกรำบุญอะไรใช่เสมอจิตเท่ากันกับตอนที่มีกินกับไม่มีกินพระต้องเป็นอย่างนั้นแม้แต่เจ็บป่วยอยู่ไม่มีเงินไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้วิตกภายในจิตว่าเราจะได้ไปหาหมอหรือไม่ได้ไปหาหมอเราจะตายหรือไม่ได้ตายจิตก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าป่วยขึ้นมาแล้ว ไม่มีเงินค่ารถไปโรงพยาบาลไปขอเงินจากชาวบ้านโยมอาตมาป่วยเอาเอาความเจ็บป่วยไปเป็นข้ออ้างทําให้เกิดความสงสารเขาไม่ได้เขาไม่ ไ, ได้ให้เพราะเป็นบุญเนี่ยเขาให้เพราะสงสารเนี่ยใช่ไหมละ่ะบุญหมายถึงว่ามันไม่ต้องไปสงสารบุญคือเจตนาปาทาจะให้ด้วยกำลังใจของตอนแต่นีน่มันเกิดจากความสงสารสรงสารเอาภาพป่วยก็ให้นี่เนี่ยก็ใ ห, ให้ให้มาอย่างนั้นก็ก็ยังไม่ไม่บริสุทธิ์ยังไม่ได้บุญเต็ม พรให้พอความสงสารก็ได้มาแล้วก็บอกโยมอีกว่าไม่มีค่ายาก็เอาอีกเขาก็ให้อีกนี้่ก็ก็ได้มาเพราะความสงสารของชาวบ้านมันไม่ได้เกิดจากความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วหลักพระวินัยจริงๆแล้วคือหลักธรรมนั่นเองฝึกจิตเรานั่นแหละไม่ใช่ดังอื่นเลยฝึกจิตเราให้มั่นคงเที่ยงตรงไม่คอนแคนไม่หวั่นไหว แต่ถ้าเป็นการให้ไม่ว่าจะเป็นค่าลดหรือว่าให้ให้ยาจะไม่ได้เกิดจากอารมณ์สงสารแต่ว่าให้เพราะศรัทธาคือให้เองโดยที่ไม่ได้ร้องขอหรือว่าผู้ให้มีเจตนาในการให้เพื่อดูแลสังขารของภาทีิสุดธิ อ, อันนั้นก็ถือว่าไม่ผิดใช่ไหมครับไม่ผิดนะนั่น แต่ไม่ใช่ให้ทรัพย์โดยตร ง, ตงถ้าจะให้เดินทางก็คือให้ยานพาหนะใช่ไหมล่ะให้ให้การเดินทางสาหรับพระภิกษุอย่างเช่นที่เขาให้ยานพาหนะมาใช้ที่นี่เขาก็เห็นประโยชน์ในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยการทํากิจของศาสนาและทําให้งานของศาสนาเป็นไปได้ด้วยดีรหรือหลักการวิธีการที่โยมควรที่จะมองให้ออกก็คือ เรื่องราวของศาสนาที่จะเป็นไปอย่างไรโยมจะต้องมองให้ออกในความเป็นเรื่องราวของศาสนาที่พิสูจนหนึ่งความเป็นอยู่ของพิสูุความเป็นอยู่ของพิสูจ์อย่างหนึ่งเนี่ยคือเรื่องราวของศาสนาที่เราจะต้องรู้และเข้าใจว่าท่านควรจะเป็นอยู่อย่างไรนะครแล้วก็ความความที่โยมปฏิบัติต่อภิกษุให้ถูกต้องให้เหมาะให้ควรอย่างไรก็ต้องก็ต้องรู้ไม่ใช่ไม่รู้โยมถ้าโยมไม่รู้เรื่องพวกนี้เข้าใจว่า ปัจเจียน่คือเงินปัจจียนสคือเงินกยย็ยัดเงินใส่มือพระยัดเงินใส่มือพระมันง่ายเกินไปพระเจ้าบอกมั น, ม น, นง่ายอย่างนั้นไม่ใช่ข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติอย่างนั้นตถาคตไม่สอนตถาคตเห็นว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์องค์ก็เลยไม่สอนเขบอกเอ้าแล้วพระไม่มีเงินไปโรงพยาบาลไม่มีเงินไปจ่ายยาค่าหมอเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ได้ยังไงหากมาน้มนๆๆน ใ, นใจอยู่แค่ดื่มน้ําปัสาวะเป็นเพสัชเป็นยา ใช่ไหมล่ะน้ำปัสสาวะนี่เป็นยาไหมเปลนขึ้นอ่ะเป็นยานี่ใช่ไหมผู้เจ้าก็ทราบว่าเป็นยาพวกเราก็รู้ว่าเป็นยาถามว่าเมื่อยามันมีอยู่ในตัวเรากับการที่ต้องต้องต้องไปหาหมอบากมันไปหาหมอในวิสัยที่มันขัดแย้งกับหลักธรรมหลักมีในเนี่ยพผู้เจ้าบอกว่าทำไม่มีในกับชีวิตเราเนี่ยอะไรควรรักษาไว้ทำมีินัยใช่ทำมีินัย อ๋อแล้วชีวิตเราไม่ต้องรักษาเลอรักษาแต่อย่าให้อย่าให้มันเป็นร่วงเกินทำอะไรไม่ไง ไม่วัองออยู่กับพี่เขาก็คือก็กลัวนะคคือจะอยู่ยังไงคือมาตรานที่นี่มันทำใหผมมีความกลัวแบบกลัวไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วทีนี้ผมก็ใช้วิธีก็คือพระอาจารย์แน่นอนผมร้องน้ำพระตุทธขั้นตอนแรกเลยก็คือใส่จิตใส่ใจให้ได้เป็นแค่จรก่อนใช่ก็ก็เริ่มทำมาต้องตลอดก็คือมันก็เริ่มก็เริ่มเมาไอ้ตุมันแต่ก็ยังมีบเรียนเข้ามากวนจิตกวนใจให้เราความกลัวมันไม่ได้เป็นปัญหานะ มันเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องแสดงออกในสิ่งที่มันมีอยู่อะไรก็ตามที่มีอยู่มันจะต้องแสดงตัวของมันออกมาโดยธรรมชาติของมันเราไม่ต้องไปกําจัดมันไม่ต้องไปปฏิเสธมันแล้วก็ไม่ต้องไปดับมันหรือไม่ต้องไปหนีหรือไม่ต้องไปทําอะไรก็ตามเสียจไปจัดการอะไรกับมันไม่ว่ากรณีใดๆสิ่งที่เราทําก็คือเราสมาทานพระราตนาไตให้ตั้งมันในจิตส่วนความกลัวมันจะหายหรือไม่หายจะมีหรือไม่มีไม่เกี่ยว แต่เมื่อจิตของเราสัมผัสกับพระตาตายได้แล้วความกลัวเหล่านั้นจะหายไปเองมันจะหายไปเองขอให้จิตของเรามันเข้าถึงกับพระตนาตายให้ได้การท่องท่านกำบมงหนาของผมก็คือผมเข้าใจว่าคือมันคือมันจะต้องคือแค่ท่องหรือว่าคือเหนเือยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็นท่าศีกของเคือมันมันจะท่องก่อน ใช่ท่องก่อนมันจะมันมันจะขุดขึ้นมาเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงเวลาของมันไม่ว่าเราทําอะไรแล้วแต่มันก็จะขึ้นมาแต่มันจะไม่ได้เรียงกันว่าดินน้ํำไฟลมนี้คือมันจะขึ้นมาเป็นช่วงอารมณ์ของมันนี่านี้มันคืออะไรคือว่าเราเริ่มจะจะน้อมนำเข้าก็ไม่เป็นไรแต่ให้จำไว้ว่าเราต้องท่องก่อนตามแบบทุกตัวอักษรเท่านั้นแหละส่วนมันจะขึ้นมาหลังจากนั้นนั้นนั้นั้นนั้นปล่อยให้เป็นธรรมชาติ อันหนึ่งที่มันมันมันขึ้นมาแล้วเราก็รับรู้รับทราบว่ามันมีขึ้นมาแต่เราอย่าลืมว่าเราอยู่ในขั้นของการท่องเพราะอาการเหล่านี้แม้มันจะขึ้นมาให้เป็นความคิดเรื่องของผมผนเล็บฟันหนังเงื้อกระดูกงนี้ใช่ไหมล่ะมันจะเป็นก็ตามแต่ว่าเราต้องสร้างฐานคือการท่องไว้เพราะถ้าเราไปสู่การพิจารณาเลยมันจะออกจากจุดที่เรากําลังเป็นมันจะทํามันจะดึงเราออกไปจาก สิ่งที่เราทํามันจะทําให้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยไม่มั่นคงไม่แน่นแล้วก็ต้องเข้าใจให้ดีว่าเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่อยากจะเจอนี่แสดงว่าเราก็ไม่ไม่ได้อยู่ในความเป็นจริงของชีวิตพราะบ่าความเป็นจริงมันต้องเจอแล้วเราจะไปบอกมาเห็นมันไม่มีไม่ได้มันต้องนี่ทีนี่เมื่อเราเข้าใจแล้วมันต้องมีแล้วเราต้องเจอเนี่ยเราก็ต้องเผชิญเลย เกิดเผชิญกันไปเลยพอเผชิญผ่านก็ก็หมดก็คือถ้ผมเจอสภาวะความกลัวที Naj ่มันจะเข้ามารุมร้องหรือว่าเข้ามาทํำให้นึกว่าเรามีความกลัวนี่ก็คือเผชิญกันไปเลยใช่แล้วก็คืออยู่กันไปเลยพิจารณาเห็นให้เห็นว่าความกลัวก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งไม่ต่างจากอารมณ์ทั่วไปอารมณ์ทั้งกลัวและอารมณ์ทั้งไม่กลัวคืออารมณ์อันเดียวกัน เพียงแต่ว่าอาการแห่งความกลัวที่ทําให้เกิดปฏิเริยาตอบสนองกับจิตของเรานนัเป็นไปในด้านของความชอบหรือไม่ชอบอันนี้คือเรื่องที่เราจะต้องทําความเข้าใจให้เห็นหากเรามองเห็นความกลัวกับอาการที่ไม่กลัวเป็นอารมณ์ความรู้สึกนะอันเดียวกันไม่ตั้งความชอบหรือไม่ชอบความกลัวก็แค่อันอันหนึ่งที่ที่เหมือนกับอาราทั่วไปมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีนะอันดีหรือไม่ดีคือเราไปตั้งความชอบใจหรือไม่ชอบใจ เราไปชอบใจ ข, ข้างของความไม่กลัวไว้แล้วเราปฏิเสธข้างของความกลัวไว้จิตของเราเลยแปรปวนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเงี้ยแหละ mm hmm. เจออันที่เรากลัวก็ไปยังก็ตอบสนองกับมั น, นาหน้ากลัวอย่างเงี้ยเราจะหาที่อบอุ่นใจหาที่เบาใจหาที่สบายใจนิสัยของคนก็คือถูกความกลัวครอบงาอย่างเงี้ยทุกคนมีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งคนไทยคนฝรั่งคนคนที่ไหนไหนก็ตามตกอยู่ภายใต้แห่งความกลัวครอบงา ผมมว่าไอ้ความกลัวของมที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างที่พระาจารย์บอกว่ามันมันเหมือนว่ามันมันไม่มันไม่มั่นคงกับอารมณ์ที่เป็นบางทีถ้าเราคือเหมือนว่าทุกคนก็ปัญหาที่จะไม่กลัวใช่แต่พอเจอความกลัววก็ปฏิเสธที่จะไม่ที่จะไม่อยากเป็นเหมือนที่ผมเป็นท่านอารงณ์ตรงนี้เลยทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะจะทำยังไงอารมณ์นี้เพราะว่าคือมันมันเหมือนว่ามันไม่มีมันไม่มีหลักการที่จะก็เรียนรู้มันว่าอ๋อนี่คือความกลัวอารมณ์ของความกลัวเป็นอย่างนี้ อารมณ์ความกลัวเกิดขึ้นจะทําให้จิตของเราปฏิเสธหรือไม่ชอบใจอ๋อความกลัวเป็นอย่างนี้นี่เองพอไปถึงจุดที่มันไม่กลัวก็อ๋อความไม่กลัวเป็นอย่างนี้นี่เองไอ้ความกลัวและความไม่กลัวก็ต่างก็คือเครื่องแสดงออกถึงสภาพแห่งความเป็นของมันมันเป็นของมันเราไม่สามารถไปจัดการหรือทําลายมันได้พอมันหายไปก็อ๋อแค่มันหายไปมันเกิดขึ้นก็หายไปมันก็ไม่ได้มี ที่อย่ไรก็ไม่ต่างจากอารมณ์อื่นๆทั่วไปปัญหาคือเราไม่เข้าใจแล้วเราไปสร้างความพอใจความไม่พอใจไว้ราคาปฏิฆาหน้พูดง่าย เรค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรถคันนั้นเนี่ยเราจะถวายถ้าถวายนี้เราจะถวายด้วยวิธีไหนก็ก็ดูดูว่ารถนั้นจําเป็นต้องใช้ทําอะไรเช่นเอาเข้าศูนย์ค่าใช้ใจ่ายเขาสรุปมาเท่าไหร่ก็จ่ายตามนั้ น, น, นจะตามนั้นไปเลยที่นี่ไม่มีการสะสมอา จ, จะใช้ทําอะไรเป็นยังไงแบบไหน นี่มีการสะสมพอถึงค่าวที่จะเป็นทนต้องใช้มันก็รวมอยู่ในคำว่าปัจเจสพวกนี้ปัจ sĩ ปัจ sĩ เอปัจเเมาเจอเจอปัญหางกับลกวก็ไปสง่งปทไาน้เป็นปกติไปนีน่เะครับไปเห็นว่า จัดการการดูแลกันเท่าๆที่จะดูแลได้หมายถึงว่ามันพอที่จะทําได้ก็ทํากันไปถ้ามันทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทำหมายถึงคือว่าถ้าซ่อมแล้วสามารถใช้การได้ซ่อมอย่างเงี้ย น, นะใช่ไหมหรือมันอยู่ในการค่าใช้ใจ่ายที่มันแพงเกินไปซ่อมซ่อมไม่ได้ก็วางก็ไม่ใช้ ก็ไม่ใช้ก็ไม่ใช้ก็ไ ม, ไม่ไม่ต้องเป็นอะไรก็ไม่มีไม่มีใช้ทำเท่าที่ทำได้ใช่ทำเท่าที่ทำได้อย่าทำให้มันเกินไปกว่านั้ะถ้าเรื่องกาลดร่นก็อย่างหลักว่าน้ำมันเครื่องกองน้มันเครื่องเียก็คือตรงนี้ถ้าดูแลเป็นประจำก็ค่าใช้จ่ายจะไม่เยอะะแต่ถ้าเกิดเราเราละเลยในส่วนของ <c oughs> ตัวไหนมันอาจจะมส่งผลทำให้ราการนั้นแย่อันนั้นก็ต้องให้คนที่ เชี่ยวชาญอะไรมาแนะนำวิธีใช้ก็ค่ อ, คอยวางกันไปอะไมีอะไรมีอะไรอีกเี้ยคือตอนนี้ผมผมยังไม่มีนะคือตอนนี้ก็มันเริ่มเริ่มเิ่มปรับตัวเฉพาะัตเขางตัวเองคือตอนนี้ ผมผมเอาแค่ตรงนี้ก่อนเพราะมันยังมันยังมันยังไม่มันยังไม่ได้เดินบนเส้นทางที่ที่ที่ควรจะเป็นแล้วก็คือมันเหมนันเหมือนจะไปแลยมันก็เหมือนเดิมมันต้องยุ่งยากก่อนอ่ามันมันต้องยุ่งยากก่อนมันมันไม่มีอะไรแบบแผนอะไรตายตัวจําไว้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรตายตัวหาความตายตัวในสิ่งใดสิ่หนึ่งไม่ได้หรอกมันต้องมันต้องยุ่งหลายๆอย่างหลายๆเรื่องเพื่อที่จะ เจอจุดบางจุดที่เราจะสามารถจับประเด็นของมันได้แล้วก็ยึดถือในการทำจิตให้เป็นไปตามนั้นยุ่ง น, นี่ก็ยุ่งมาแต่ก่อนนี้ก็ยุ่งเอ๊ะ ย, ยังไงถูกยังไงผิดเอ๊ะวันนี้ท่องเอ๊วันนี้ไม่ได้ท่องวันนี้ต้องสวดพระพริตวันนั้นต้องพิจรารณาเอ๊ะ ย, ยังไงหกขั้นตอนแบบไหนเอ๊ะอาร์อธิษฐานพระรตาตนตรัว่นอยู่วันกันแหละเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวอาการภายในร่างกายเกิดขึ้น อีกไอกูเป็นอะไรว่านั่งฟุ้งนอนสั่นอยู่จนหลับไม่ได้กินไม่ลงอยู่นั่นน่ะจะเอาอย่างไงทั้งๆที่หลักการก็คือหลักการอย่างเงี้ยมันเป็นอยู่แต่เวลาเอาจริงๆมันมันมีอะไรตายตัวมันเป็นการต่อสู้ระหว่างสิ่งที่เคยเรียนรู้มาเดิมกับสิ่งที่มันก็มีส่วนมันมันช่วงการถ่ายเทของเก่ากับของใหม่มันก็ไม่ใช่ของเก่าของใหม่หรอกมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องความจริงที่เราจะต้อง พยายามปรับจิตให้ยอมรับเพราะเราเรียนรู้แต่ก่อนมามันอาจจะยังไม่ใช่ความจริงแต่พอมันเป็นความจริงขึ้นมามันก็จะเริ่มมัดอันนี้กันออกคนเรามันยอมรับความจริงยา ก, กยนี่คือ<ม><ม>ธรรมชาติแล้วก็ยังไม่มั่นใจเท่าที่ควรที่จะเลินมนกถูกต้องยังไงใช่เป็นอย่างงั้นะทุกคนมีความไม่มั่นใจตลอดเวล า, ไ ม, ไ, วาไม่มีใคร ม, มีความมั่นใจในสิ่งใดๆได้ไดหรอกนีม่มีใครมีความมั่นใจได้หรอก แม้กระทั่งขับรถออกไปเรามั่นใจได้ไมมว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุเรามั่นใจได้ตลอดเวลาไห ม, ไมจนกว่าเราผ่านช่วงวันนั้นมาเราถึงแล้วมาจอดกลับที่เดิมเราถึงม่าวันนั้ น, นปลอดภัยปลอดภัยแล้วมั่นใจนความมั่นใจจังจะเกิดขึ้นหลังจากเราผ่านสิ่งนั้นมาแล้วแต่ถ้ายังไม่ผ่านไม่ไ ม, มีทางที่จะมั่นใจได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าพ่อเรียเจ้าพระเจ้าท่า น, านทาไมพระ อ, องค์ถึงมั่นใจในการสอนธรรมะของพระองค์ได้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงเลยพระองค์ผ่านการปฏิบัติมาทุกลําดับ วงจึงมั่นใจในสิ่งที่วงทรงสอนว่าไม่มีใครสอนในโลกนี้คิดสูตรมาแล้วสูตรมาแล้วที่สงสาวทั้งหลายก็ปฏิติจามพระพุทธเจ้าจนเข้าถึงมารผลแล้วก็เป็นสักดคีกับพยานพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงและมั่นใจและแน่นอนใจตายใจแล้วก็พูดได้อย่างเต็มปากในหลักธรรมที่ตนเองเข้าถึงแต่ก่อนที่จะไปถึงมันไม่มีใครมั่นใจสักคนนะพระเจ้าก็ไม่มั่นใจก็ไม่กล้าที่จะสอนใคร <c oughs> ก่อนที่จะถึงไงถ้าถึงแล้วบรู้แล้วนี่ เรามั่นใจเต็มเพราะ ม, มีความรู้ความเห็นทีนี้มันถูกสอนมาในสิ่งที่ข้างนอกเขาสอนกันแบบนี้นแล้วทีนี้พอมาเจออีกที่หนึ่งสอนอีกแบบห น, นึ่งเนี่ยต้องทำยังไงก็ต้องพิสูจน์หรือว่ามันก็เหมือนกับอาหารเราที่กินนี่แหละอาหารเราก็อาหารชนิดเดียวกันแต่ทำไมมีอาหารบางอาหารขึ้นไปอยู่ในภัตคารได้ แล้วคนจะต้องไปกินอาหารแพงๆอย่างนั้นก็เป็นอาหารอาเชนิ่เดียวกันเอาต้มยำกุ้งถามว่าต้มยำกุ้งนี่มันเหมือนกันทุกร้านหรือเปล่าไม่เหมือนหรือกาแฟที่เราไปกินเนี่ยเอาแต่ละที่มันเหมือนกันรู้เปล่าเหมือนเป็นชื่อเดียันแไม่เหมือนในรายละเอียดเห็นไลงไม่เหมือนมันไม่เหมือนในรายละเอียดความปรารถนต่างกันผม เพราะนั้นมันขึ้นอยู่อะเรากินแล้วเราเห็นมากินอันนี้มันดีกว่าร้านนี้ถามว่าเรายังยังติดใจกับร้านนั้นไหมก็อันอันที่เรากินตอนนี้มันดีกว่าร้านนั้นอะมันก็ติดใจอันที่อร่อยกว่าที่อันดีกว่าใช่ไหมล่ะติดใจอันใหม่อันใหม่ทีนี่แต่มายังติดใจอยู่เลยนะนะคาเฟ่ร้านนั้นนะแต่มันก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นก็คือมันก็ยังต้องทดลองไปเรื่อยๆอีกไม่ใช่เหรอใช่ ก็ป้าถ้ามันมีอีกก็อีกเนี่ยก็ไปอีกมันก็ไม่จบแต่ว่าความพอใจอยู่ตรงนั้นแล้วว่าอันนี้ดีแล้วในขณะในขณะนั้นอืมย่างน้อยเราก็รู้สิ่งไหนถูกสิ่งไหนไม่ถูกสิ่งไหนไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเราก็าก็ทราบเรามีข้อมูลในการเทียบทราบกันอยู่และและตรงนี้มันเกิดจากให้ความบริ ความพอใจในสิ่งที่เราได้ลิ้มรสตรงนี้แล้วเออตรงนี้โอเคพอกล่าวว่าเอออันนี้มันดีกว่าแต่มันมันไม่ใช่เป็นเป็นกิเลแต่ธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่ว่าอันนี้ดีกว่าอันนั้นนะธรรมะของพระเจ้าคือความจริงความจริงไม่ได้เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีความจริงคือความจริงครับพรุทธเจ้าไม่มาสอนความจริงก็ยังมีอยู่พระเจ้าปรินิพานไปแล้วความจริงก็มีอยู่เพียงแต่คําสอนจะทําให้เราเข้าถึงความจริงได้ง่ายกว่าคนอื่น ง่ายกว่าวิธีการอื่นคือวิธีการของมรรคแปดเป็นวิธีการที่เข้าถึงความจริงได้ไดตรงจุดแล้วก็เข้าถึงได้จริงๆเพราะบุคคลใดก็ตามเดินตามทางมรรคแปดไม่มีใครเลยหวนกลับมาสู่โลกมนุษย์นี้คนที่ยังหวนกลับมาสู่โลกมนุษย์นี้คือคนที่ยังเดินมรรคแปดยังไม่ตรงเพราะการเดินมรรคแปดให้ตรงเส้นทางนี้จะส่งผลให้ไปถึงความพ้นทุกข์พ้นจากวัฏฏะโดยถ่ายเดียวไม่มีการย้อนกลับ <คน S 1> เส้นทางนี้ไม่มีการหันหลังกลับ เป็นความจริงเมื่อว่าเกิดการเปรียบเทียบหรือครับที่ไปเดินสำรวจขบวนแล้วมี ม, มันมันเกิดอันนี้ตัวมาครับเกิด <ไป S 1> ความคิดเป็นท่านเดินท่านไม่มีล้มไม่มีลื่นมั่นคงมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอารังบอกว่า ก็ไม่เห็นจะมีสัตว์อะไรเลยก็มีแค่หนูว่าคาบเพียนไปตอนเดินจงกลมก็เสียงหนูให้อันนี้แล้วเขาไม่มีความกลัวเข า, ส า, าสามารถไปอยู่ในป่าได้ถ้าเทียบกับเมง้งหรือว่าผมหรือว่า <regarder> MM เอก <c oughs> คืออา น, นั้นส่วนหนึ่งก็คือพื้นฐานกับวิถีชีวิตที่เป็นมาด้วยใช่ไหมครับอก <c oughs> ืก็มีส่วนมันมันก็เลยทาให้เกิด การกลัวและการปรุงแต่งมากไปกว่าคนที่มีชีวิตวิถีชีวิตที่ประจําอยู่ตรงนั้นและคุ้นชินกับตรงนั้นนั่นโอกาสที่จะ ก, ก้าวหน้าในธรรมก็ไอคนที่ต่อสู้มากก็คือคนที่ไม่คุ้นชินใช่ไหมครับต้องถามยมน้องทําไมทําไมถึงพัฒนาไปได้จิตไปอยู่ในปา่ทาทั้งที่นี่ก็ไม่เคยคุ้นชินสุดแล้วอ่ะต้นสุดแล้วเอ๊ะทําไมเวลามันถึงความสุด คือจิตที่มันตื่นขึ้นมากับความกลัวเสียงก็แก๊กแก๊กมันกลัวไปหมดอะไรมันตื่นขึ้นมามันนอนไม่หลับไงเราแหวงนั่นเราแวงนี่เดี๋ยวหันซ้ายหันขวาหันหันนี่หันเราไม่รู้ตัวว่าเราเมื่อเรามีกัรมีสติในปัจจุบันในเวลานี้ขนาดนั้นสติตัวนี้แหละคือธรรมชาติหนึ่งกำกกําลังสร้างสร้างกึ้นมาเพื่อแก้ความกลัวที่ทําไมเราต้องกลัวแล้วทําไมเราต้องหันไปมองไปตามเสียงที่มันอันนี้ใช่ำกำก ทำไมเราต้องจ้องมันเว่อมีอะไรหรือเปล่าฉายไฟดูเงี้ย <laughs> เห็นไหม <laughs> ทั้งที่เราบอกว่ากลัวเราทําไมต้องอยากจะไปดูมันม <laughs> เราเห็นไหมว่าเราเห็นไหมว่าหมูป่าที่มันมีเขี้ยวยาวๆทําไมคนอยากจะได้เขี้ยวมันนะ่ะรู้เปล่า <laughs> เขาเอาเขี้ยวมันไปทำอะไรเ <laughs> ขี้ยวหมูป่าเขี้ยวหมูตันเครื่องรางยิงไม่เข้ายิงไม่ออก ทำไมหมูป่ามันแค่สัตว์อะไรฉันทำไมมีอิทธิฤทธิ์ขนาดนั้นความกลั ว, ลวมันระวังภัยอยู่ตลอดเวลากินอาหารกินหากหน่อไม้กินนี่นะเคียเค้ยวๆสองสามคำมองซ้ายมองขวาระวังตัวอยู่ตลอดระวังภัยอยู่ตลอด<ม>เคียเค้ยวๆสองสามคำมองซ้ายมองขวาเคี้ยวๆสองมคำมองซ้ายมองขวาสติมันเลยอยู่ที่เคี้ย ว, วนเนี่ ย, ย, ยสติไปรวมลงอยู่ที่เคี้ย ว, วนเนี่ย เอาจริงๆเลยเลยสติแก่กล้ามากขึ้นนี่คือสติของสัตว์เดรัจฉานนะนี่มันแสดงว่าที่เขาอามาใช้เป็นประโยชน์ก็คือใช่ทีนี้เมื่อสติรวมไปหุดอยู่ที่เที่ยวกําลังของสติมันสะสมมาเข้ามาเข้าเพราะมันอยู่กับการกินนย่างหมูป่าสัตว์ป่ า, ยปายอยู่การกิ น, นมันระวังัยกินไปเขี้ยวไปก็ระวังไยมองซ้ายมองขวามันทําอย่างเงี้ยตลอดชีวิตมันจะไม่นอนใจมันจะไม่เผลอใจมันจะ กินอะไรสบายเชิบเชิบไม่มีมันระวังภัยอยู่ตลอดเวลาพอมันเกิดสติแก่กล้าขึ้นนายพันยิงมันนี่แปะแปะเนียหันขึ้นไปท้องฟ้าโป้งเนี่ยยิงไปหบหมูแปะเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยคืออนุภาพสติสติเป็นเครื่องกั้นกั้นภัยให้กับเขาให้กับมันแต่พอมันจะตายใช่ไหมล่ะมันมันแก่แล้วฟันมันหลุดมันก็จะคุยคุยคุยค ย, คยล เอาเอาเขี่ยวไปฟังไหมพอฟันหลุดปุ๊บเขาก็ยิงโป้เอาคนคนยิงหูป่าเป็นอย่างนั้นดิใช่ไหมเขาเล่าให้ฟังมันต้องรอให้เขี่ยวมันหลุดก่อนแล้วไปยิงมันสติมนไปอยู่ที่นู่นแล้วยอมยมรู้ละยมไปนอนขุดน่นะคะมันจะมีเสียงมาเสียงอะไรไมู่ตกใส่หลังคา เออเสียงอะไรวะอย่างงี้มาแกล้งวะ่านะนั่น้ก็มันชินของมันเองตื่นจิตมันจะตื่นใช่มตื่นรู้ของขันนัที่มันตกใจนี่แต่มันไม่ได้สานเข้ามาในใจนะกาเราไม่ฉลาดที่เฉอธรรมชาติมันพยายามตอบสนองต่อสิ่งต่างๆโดยโดยความเป็นสติของมันโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าใจมันเราไม่รู้จักการใช้สติให้เป็นสมาสติเราไม่ได้รู้ว่าอ๋อ มันกำลังตื่นจิตสภาพที่ตื่นรู้อย่างนี้เป็นสภาพจิตที่หายากนะไม่ใช่ง่ายๆนะรเราดันไปไม่ไปไปตั้งความเห็นผิดไว้อย่างนี้กลัวเป็นแต <c oughs> ่เป็นอะไรกันนี่เลยแต่มัอ น, น, น, นมันเรีกว่าภาวะนี่คือมันคือเมืเ่อคืนเมื่อคืนปิดไฟนอนคนเดียนอนยังดได้เมื่อคืนผมมานอนตรงนี้ด้วย แต่มันืมันืนบอเก็เลยว่ามันเป็นช่ว่ว่าเราต้องฝึกช่วงช่วงนี้เป็นเจวัน่ผมจะอยู่นจะฝึกทหผมให้มันให้มันเข้าใจความกลัวความไม่กลัวนี้ฝึกวแค่นี้นะครับมันองมาททำงานด้วยใช่ไหมครับใช่ทำร่วมกันทำร่วมกันทพร้อมกับความหลงถ้าเรารู้แล้วเราจะไม่มานูไปจากความจริงที่มันกำลังเป็นเราก็รับทราบความจริงที่มันกำลังเป็นอย่างนั้นคือรู้ ตื่ก็โอเครู้แล้วก็เข้าใจมันโอเคมันมันน้องมันโนสวมรอยไปด้ว ย, วย <c oughs> น, นี่คือนี่เขาปล่อยผียนะสักสามุ่มนี่ยหมาจะหอนรับเต็มเลยค่ะแล้ ว, เ, เ, นะลวเราก็นอนอยู่ที่กุดประตูก็ไม่มีมีแต่ผ้าผ้าม่านบัง น, นะมันก็อุิดบุญแล้วก็สวดเท้ากระลิดแล้วก็สิ่งะเรากมั่นใจในสิ่งนี้ว่าๆๆๆๆๆๆๆจะมาทานอะมันก็ไม่กลัวทามันก็ไม่หวาดหว่น จ ะ, จะเป็นยังไงก็ตามให้ระ ล, ลึกถึงพระราตนาไตให้มันแนบอยู่กับกจิตพระพุทธเจ้าพระธรรมสงู์ให้แนบอยู่กับกจิตถ้าพระราตนไตแนบอยู่กับกจิตแล้วก็ไม่มีปัญหามันไม่ได้เกี่ยวว่ามันจะกลัวหรือไม่กลัวพระราตนาไตยให้แนบอยู่กับกจิตไว้กลัวก็คือกลัวไม่กลัวก็ไม่กลัวไม่ใช่ว่าตอนกลัวถึงจะระลึกถึงพระราตนาไตยพอกลัวแล้วไม่สนใจพระราตนาไตยแล้วใช้ไม่ได้ พระตาตจะต้องแนบอยู่ทั้งกลัวทั้งไม่กลัวต้องมีอยู่ยความกลัวมันเป็นอาการที่มันปรากฏแล้วก็หาความคงที่ไม่ได้ก็สลายตัวแต่พระตาตนั้นให้คงมั่นอยู่ในใจให้ยม่็คิดถึงความดีคิดถึงสี่งคิดถึงพระลัทธนาตาตัมันจะไม่มีหวั่นไหวอะค่ะใช่ตรงเนี้ยสำคัญ ไปอย่างนี้แหละต้องใหม่ๆเรียกเป็นประสบการณ์ประสบการณ์อย่างนี้แหละแต่คือคือสิ่งที่ดีในชีวิตคืออยู่บ้านอยู่ที่มันเป็นปกติมันก็ไม่ขังตัวพอมาอยู่ที่นี่ทั้งทัที่ก็คือตรงนี้จริงๆแล้วมันมันมันไม่เหมือนมาทุกคนพอมาอยู่ที่นี่ก็คือจะต้องมีความคิดแล้วมันคือวัดมันคืออะไรแต่คือตรงนี้มันก็เหมือนที่พับที่หึงที่เราเคยไปพับมาหลายที่นั่นไงความโังวลเหมืเข้ามาหาเราแบกระหน่ำเข้ามาเลยวเ่าเราจะหาทางออกหนอก็เลย เนี่ยตรงเนี้ยเวลาเกิดเรื่องราวอะไรบางอย่างในจิตใจขึ้นมาความทุกข์ความกลันวหรือความกังวลหรืออะไรก็ตามเรามากักจะบอกจะหาทางจัดการกับมันยังไงหรือจะหาทางแก้กับมันยังไงตัวเนี้ยนี่คือนิสัยและธรรมชาติอย่างหนึ่งของคนทุกคนที่เกิดขึ้นนี่คือความผิดพลาดผิดพลาดแบบมหันเลยไม่ต้องแก้ ใช่ดูลงไปไม่ต้องแก้เพราะมันเป็นมันเป็นโดยวิสัยและความคุณชินแล้วก็ที่ว่าเราได้ดับการที่เขาไปแก้นั่นแหละยิ่งสร้างความยุ่งยากการที่ไม่ต้องแก้นั่นแหละมันได้รับการแก้แล้ว mm hmm. เพราะอะไรเ mm hmm. พราะสัจจะกําหนดไว้ตายตัวว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับค mm hmm. าว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับคือสิ่งไหนก็คือทุกสรรพสิ่ง ทั anto, ้งความกลัวทั้งความไม่กลัวทั้งความดีทั้งความชั่วทั้งความถูกความผิดทั้งบุญทั้งบาปเกิดระดับทั้งนั้นแล้วเราจะไปแก้มันทําไมเมื่อมันเกิดมันดับพู้องค์จึงบอกว่ารู้ตามความเป็นจริงก็เมื่อรู้ตามเป็นจริงว่าความกลัวกําลังเกิดขึ้นกับใจเราก็รู้มันสิว่ามันกําลังกลัวอ๋อจิตเรากําลังกลัวตอนนี้ความกลัวกําลังเกิดขึ้นก็รับรู้รับทราบต่อความกลัวที่เกิดขึ้นนั้นขณะนั้น ติดต่อเนื่องไปเรื่อยๆความกลัวมีอยู่ก็รับทราบความกลัวว่าจิตเรากําลังกลัวความกลัวกําลังเกิดขึ้นกับจิตเราแต่การรู้อย่างนั้นจะไม่ทําให้จิตเราถูกครอบงาด้วยความกลัวแต่มันจะเป็นทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเอาทุกข์ก็เป็นสัจจะก็เป็นธรรมดาเพามันกลัวอะก็ต้ทุกข์อยู่เพราะนั้นจึงไม่ต้องไปแก้อะไรกับมันแค่รับทราบมันตามความเป็นจริงถึงจุดที่มันดับก็ดับไม่ใช่เมื่อไหร่จะสว่างสักทีว่า มันเกี่ยวอะไรกับเมื่อวักับสว่างมืดก็อยู่ที่ตรงนั้นสว่างก็อยู่ที่ตรงนั้นทําไมต้องไปกลัวเฉพาะตอนมืดมโนเห็นไหมมโนเดี๋ยวนั่นเลยเดี๋ยวนั่นเลยถามว่าคุยคุยไรคือรูปคนก็จะเ้ว่าก็พยายามทำให้คือมันมันทำไม่ได้อะครับไม่ได้ไม่ได้จะไปบอกว่าไม่กลัวไม่ให้กลัวไม่ได้อย่าไปกลัวก็ไม่ได้อีกแค่คําปลอบใจแต่ความจริงแล้ว กูก็ต้องกรอบกูยอมรับความกลัวเขาเรียกยอมรับความจริงเพื่อที่จะรู้มันตามความเป็นจริงเขาจะพิตลอดเพราะว่าเนื้ออย่าง ก, ก็คือคนเนี่ยย่งก็คือเราเป็นเด็กมาเป็โตม า, า, ตววามันก็จะถูกลูงมังมาแต่สติจากการที่เรารู้อย่างเงี้ยนะรู้ความกลัวไม่ต้องไปแก้มันเนี่ยสติมันจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอว่าพัฒนาย่างไรมันมีมันมีตัวพัฒนาของมันอยู่เพื่อที่อยู่เหนือความกลัวมันมีเพียงแต่จังหวะนั้นมันยังไม่มีกําลังพอที่จะอยู่เหนือความกลัวได้ สติเท่า น, นั้นมันก็เลยเป็นการสติรับรู้ขณะปัจจุบันนั้นคือป็ปัจจุบันธรรมน ะ, ะเป็นปัจจุบันธรรมที่เราละเลยที่จะรู้มันส่วนมากเราจะแก้มันเราจะไปดับมันอพอเห็นแสงขอฟ้าเริ่มสว่างขึ้นมานิดอุ่นใจขึ้นมาหน่อยต้องเลยว่าแต่ว่าตรงนี้เป็นธรรมะที่ที่ผมคือผมที่ผมเข้าใจมันะระดับหนึ่งแต่ก่อนที่จะมาถึงพระอาจารย์คืนะอว่ามันไม่ใช่เลย ไม่ใช่เราสึกว่าเราเราหลงพ่อผิดมาตลอดแล้วมันแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทำมันแล้มันก็ไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้เลยว่าเฮ้เราเคยเข้าใจตรงนี้มาแล้วมันเจอตรงนี้มันมันไม่ใช่เลยเส้นทางของเรเส้นทางการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติแบบไม่ต้องกลัวก็ปฏิบัติแบบกลัวนั่นแหละปฏิบัติต่อความกลัวนั่นแหละปฏิบัติต่อความทุกข์นั่นแหละปฏิบัติต่อความวิตกกังวลความไม่ได้ดั่งใจความผิดหวังไม่ใช้ปฏิบัติธรรมแล้วจิตจะเบิกบานอยู่ตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่ จิตเรามีอะไรหลากหลายก็รับทราบความหลากหลายในจิตนั้นตามความเป็นจริงแต่การบังคับจิตไม่ให้รับทราบตามความเป็นจริงแล้วไปอยู่กับอารมณ์เป็นเอกเทศอะไรอันหนึ่งตัดขาดจากอารมณ์และสงบดิ่งลงไปอันนั้นน่ะจะทําให้เกิดความหลงเพราะจิตจะไม่รู้จักความจริงไม่รู้จักสิ่งที่เข้ามาสัมผัสจิตตามความเป็นจริงมันผิดปกตินั่นแหละคือความผิดผิดพลาดยัไปบกันแล้วแต่ใครจะว่ากันจะเป็นแบบไหน เมื่อี้มื่สักครู่พอดีแม่ดวงกาถามว่าลูกได้อล้วผมไม่ได้เลยนะัม่แค่ผมดูจิตตัวเองเขาเรียกผมไม่เข้าใจคือก็เลยคุยกับแกแล้วแกบอกว่าคือแม่ผมเขาก็คือช่วงช่วงนั้าพ่อสอนที่เขาเคยปรนนารวจอยู่บ้นช่วงแรกอมกไปไว่นานนี้คือเมองว่าไม่ไม่อยู่ไม่ได้วันนี้เากลับมาทงานที่บ้านเป็นปกติแต่ก็ฟังธรรมะคือจิตใจของเดิางของผมในตอนนี้แต่คือตอนนี้คือผมยังุ่มรออยู่กับไอ้สิ่งที่ผมถูกต้องจิตที่ลุ่มร้อนคือจิตที่ได้รับการฝึก คอเขาคงเห็นคือไปวัดนนะ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่ไปคือจับกลุ่มคุยการานินทาการถึงเวลากินก็กินถึงเวลาสวดมนต์ก็สวด ก, ก, กันแบบนุ่กี้วุ่ทองเขาคงจะเห็นภาพกาันละนะหากวัดอย่างนั้นแบบนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงได้ครับทุกวันนี้คือเลยกลับม า, มาบ้านดีกว่าแล้วมาเปิดธรรมะที่เป็นคือผมจะมีธรรมะแบบพื้นฐานใส่วิทยุไวใ้ให้แม่ขเขาจะฟังคำช้นอยู่นนะครับงอยู่เพราะว่า คือหนึ่งคือแกอ ไ, มไม่รู้จักเทคโนโลยีนะครับเขาก็จะฟังในสิ่งที่มี<ผ>มอยู่เดิมๆมคิดว่าเขามีปัญญามาก่มใสิ่งที่เขา ต, งตรง น, น้แล้วเขาก็จะววันนี้ก็คือผมมืเอเดียวาไปเทียบกันที่คนผ่านโลกมาเยอะเห็นอะไรมามากการคิดอ่านก็มากกว่าคนหนุ่มๆอย่างเราเราก็ยังหนุ่มๆยังยังไม่ผ่านอะไรมามากประสบการณ์ยังยังไม่เยอะความคิดอ่านอะไรก็ไม่ได้กว้างขวางแต่ทุกวันนี้คือแม่เขาเขาเขาจะอาถามทำมากผผมผมอายตัวเองอมผมอา คือคือมันไม่ใช่เลยครับว่าแล้วการที่เราเรียนรู้มาจนถึงวันนี้มันก็ยังผิดทางอยู่จถ <c oughs> ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเจอในสิ่งที่ดีแล้วมันเป็นแสนงไฟ ท, ท, ที่ที่แทจนจริงเนี่ยก็จะพานมาเรียนรู้ก็คือตั้งใจอนะไรแบบนี้ครับแต่ตอนนี้คือเรายังยังยังเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนแค่สตาร์ทรถนะยะรถจะไปทางไหนไม่รู้เลยคนระับนะ้ำมันก็อาจจะมีเพียงพอสภาพรถก็อาจจะพอพอขับได้แต่ก็คือยังไม่ยังรู้เส้นทางที่แท้จริง ก็เรยวาต้องเ่นด้วยวองก่อนแล้วก็เป็นเมื่อก่อนนะครับเต้นเต้นจะพูดนะธรรมไม่ได้ไม่ใช่แล้วมันเป็นมันเป็นขั้นตอนอือใช่เป็นอย่างนี้แหละแต่ก่อนต่อมานี่เจอโยมนี่เดินหลบโยมถ้าโยมมาถามธรรมะเดี๋ยวจะตอบก็ไม่ได้เริ่มหลบเริ่มหนีไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะคุย และไม่คนไม่ชอบคุยขี้อายขี้กลัวคุยกับคนไม่ค่อยเป็นใช้คําพูดใช้อะไรที่จะคุยกับคนไม่ไมค่อยได้เพราะเพราะเราเป็นคนพูดแข็งแข็งพูดแบบตรงไปตรงมาพูดอะไรก็พูดแบบตรงๆมันมันไม่มีการประดิษฐ์คําพูดที่มันดีขึ้นให้ให้ฟังมันมันน่าฟังอะไรเพื่อ น, นี้ก็เลยไม่กล้าคุยกับใครมาก พอมันได้รู้จักธรรมะยิ่งได้รู้จักธรรมะยิ่งยิ่งอยากจะปิดปากตัวเองเลยเอาจริงๆงนะยิ่งอย่าไปคุยอะไรกับใครคุยไปทาไมมันไม่รู้เรื่องอะไรกับเราหรอกธรรมะแต่การที่ได้มาพูดอย่างนี้นี่โอ้โหหนักนาสาหัสพอสมควรที่มาพูดอย่างนี้ก่อจะมาพูดกับคนได้นี่นะถ้าอาจารย์ต้องมาเรียนรู้วิธีการพูดหรือควรจะพูดยังไงเปิดในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าคุยกับ ชาวบ้านยังไงพระอริยสงฆ์สาวกท่านคุยกับชาวบ้านอย่างไรพอได้แบบได้แนวได้หลักอะไรมาพอที่จะคุยก็ก็คุยก็คุยพูดไปตามเรื่องตามราวก็โ ย, ยงข้าหาหลักธรรมก็ค่ยยอยโยงมันไปมันก็ไปดูแบบตัว ด, ดูการสื่อสารเพราะไม่มีอะไรสามารถสื่อสารธรรมะได้ดีกับเท่ากับคําของพระพุทธเจ้าคำของพระเจ้าสื่อสารธรรมะได้ดีมากดีมากๆเลย มันตรงตรงกับหลักความจริงถ้าจะศึกษาธรรมะให้ถึงความกระจจางแจ้งนี่ทิ้งบาลีไม่ได้บาลีเป็นภาษาที่ทำให้ข้อธรรมรือสภาวะธรรมนี่กระจจางขึ้นมาได้ย่าังไม่ต้องไปฟังคำอธิบายจากใครเลยนะเพราะภาษานี่มัน ให้ความรู้ให้ความเข้าใจให้ความขจัดโดยธรรมชาติโดยความเป็นปกติของมันอยู่แล้วโดยภาษาพระพุทธเจ้าตัดแต่ละคำออกมาเนี่ยเป็นภาษาจากธรรมชาติรุ่นรุ่เลยทองคูณวงเวียนถามมาว่ า, าคล้อยตามสัญญาความจำแต่มีสติรู้ภัยหลังเสมอทำอย่างไรจะรู้ทันตั้งแต่ตอนแรกที่เกิดครับ เผอไปก่อนแล้วการทำตามสัญญาที่มีสติรู้ในภายหลังนั่นทำอย่างไรจึงจะรู้ทันตั้งแต่แรกให้จำไว้เลยว่าเราจะไม่สามารถทำให้สติรู้ทันในสัญญาตั้งแต่แรกได้เลยหากสตินั้นไม่พัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ทันต่อสัญญานั่นเอง เราจะไม่สามารถทําได้มันเป็นเรื่องของสติที่จะพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นต้องกลับไปถามว่าทำยังไงถึงจะให้มีสติรู้เท่าทันอย่างนี้นะคือทอํายังไงถึงจะมีสติแก่กล้าและไปรู้เท่าทันต่อสัญญาขันที่เกิดระดับเราก็ต้องย้อนกลับไปที่สติปัญสีต้องไปเจริญสติปัญสีให้มากกระทําให้มากภาคเพียรให้มากแล้วก็ทําอยู่เป็นนิดรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมตามพอเป็นจริง รู้กายในกายรู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมอย่างเงี้ยรู้เวทนาในเวทนา <c oughs> คือรู้สติประฐานสีนี้ให้มากทําให้มากจเจริญให้มาก <c oughs> เมื่อสติตัวนี้แก่กล้ามันจะเข้าไปทําหน้าที่ในการรู้ทันสัญญาขันเกิดดับเองตรงเนี้ยถึงจะถูก <c oughs> สติประฐานสีก็เคยอธิบายไว้แล้วต้องต้องย้อนกลับไปดูหน่อยนะโยมแม่ค้าติดดินได้ถามมาว่าเวลานี้เรื่องทดสอบเยอะมากเจ้ า, าค่ะกําลังมอง บางทีรู้สึกตัวเองเหมือนคนบ้าเลยเจ้าค่ะถูกต้องนะเวลามีสิ่งใดๆก็ตามามาเป็นเครื่องทดสอบจิตหรือกระทบจิตหรือมันเป็นมลสุลมรวมลงเข้ามาหาจิตเหมือนกับว่าเรากำลังแบกรับปัญหาอยู่แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่าพยายามทั้งใช้สติทั้งใช้ปัญญาทั้งใช้ความรอบคอบทั้งใช้สิ่งต่างๆนานาทั้งหมด แม้กระทั่งใช้อารมณ์ต่อสิ่งที่มันมากระทบนั่นด้วยมันมันก็เลยทำให้อะไรมันมันทำให้การกา ร, รเผชิญกับเรื่องราวเหล่านั้นทำให้เราเกิดความรู้สึกมันตัวเองจะเป็นบ้างเนี่ยเป็นยังไ น, นถาม่าเป็นอย่างนี้นี่มีความเสียหายไหมไม่เสียหาย คนมันจะเป็นบ้าแล้วนะไม่เสียหายได้ยังไง <c oughs> ก็ก็รู้อยู่ว่าตั ว, ตวเองอย่าเป็นบ้าใช่ไหมก็รู้อยู่คนที่เป็นบ้าคือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นบ้าแต่อันนี้รู้อยู่ว่าตนเองจะเป็นบ้าการรู้อยู่อย่างนั้นอ่ะสังเกตเรื่ความรู้มันจะไม่หายไปใช่ไหมเราปฏิบัติน่ยความรู้มันจะยัคงอยู่อาการที่เป็นบ้าเป็นแค่อาการของปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามามากระทบเราใช้หลักธรรมใช้ คุณธรรมใช้หลักปฏิบัติใช้อะไรเข้าไปแก้งจงจำไว้เลยว่าการที่เราใช้เข้าไปแก้นั่ะแต่ละอันแต่ละอันเราจะมีอารมณ์ร่วมเข้าไปด้วยคือใช้อารมณ์ของเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันจึงเป็นอารมณ์ที่ประกอบไปด้วยมีคือไปประกอบแทรกเข้าไปในเรื่องราวที่เราจะแก้มันเลยมันเลยเกิดอาการอย่างเงี้ยแล้วจังหวะหนึ่งจิตมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าเราจะไม่ไม่ควรที่จะทําอะไร กับอาการเหล่านี้เพราะถ้าทําต่อไปมันจะบ้าขึ้นมากกว่านี้แล้วมันจะวางแม้ปัญหาจะอยู่ต่อหน้าอยู่ก็ตามมันจะไม่ไปจัดการอะไรกับปัญหาเนี่มันจะวางพอนวางปั๊บเนี่ยปัญหากับได้รับการที่คลายเองคือมันจะเกิดความรู้เกิดสติเกิดปัญญาอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยทำการที่คลายปัญหานั้นแบบแบบง่ายๆเองเห็น ไ, ไหมเพราะการแก้ปัญหาจริงๆมันไม่ได้ เข้าไปแก้ที <h atur sea> well, crap, ่ตัวปัญหาแต่มันต้องไปรู้จักปัญหารู้เหตุให้เกิดปัญหารู้ว่าจะดับปัญหาไปนั้นได้อย่างไรแล้วก็ทางที่จะเข้าไปดับปัญหาจจไปดับยังไงดับปัญหาจะดับปัญหาเะไต้องรู้ปัญหาเป็นปัญหาว่าตัวนี้คือปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ไปเอาอย่างอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปัญหามาเป็นปัญหาอย่างเงี้ยหรือปัญหาใดที่มันมีอยู่ก็ให้เป็นปัญหานั้นมีอยู่อย่างนั้นแต่อย่าไปไปสร้างปัญหา จากตัวเราหรืออย่าเอาเราไปเป็นปัญหาในปัญหาที่มันเป็นไม่งั่างั้นมันมั น, ม, นมันจะไม่มีทางแก้ปัญหาได้ต้องมีสติจริงๆที่เป็นสติธรรมชาติจะต้องไม่มีอารมณ์เจือปลเข้าไปคืออัตราตัวตนที่เราจะเข้าไปจัด ก, การเนี่ยมันมีทุกคนมันมีนนีให้ให้างตัวนี้ลงระวางตัวนี้ลงได้๊บน่มองปัญหามองก่อนอย่าเพิ่งแก้มองให้ออกปัญหาที่แท้จริงคืออะไร เกิดจากเราเกิดจากภายนอกเกิดจากภายในหรือเกิดจากไหนถ้าเกิดจากภายในดับภายในเกิดจากภายนอกแก้ภายนอกไม่ผิดหรอกที่มันเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาไม่ผิดคือมันต้องผ่านขั้นนี้ก่อนมันถึงจะเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่ารู้มันจะมีอยูต่ตอนนี้นใช่บางคน คือจังหวะที่มันจะเป็นบ้าเนี่คนภายนอกอาจจะมองเออไอคนนี้บ้าแล้วมั้งคือไปเห็นสภาวะตอนนั้นนะสาป้าแต่ถ้าผ่านสภาวะตอนนั้นมาได้ปั๊บเนี่ยจะเกิดความรู้แต่คนที่มองภายนอกไม่เข้าใจสภาวะในภายในของคนที่เป็นในเวลานั้นก็จะมองเออปฏิบัติแล้วทําไมจะเป็นบ้าปฏิบัติแล้วทําไมยังมีอาการสติไม่ดีปั่มปั่มเป๊ะเ ป, ป, ป, ปหรืออาการแบบขี่โมโหขี่ ต่างๆนานาอย่างนี้ในประเทศนี้คือคนมองภายนอกไม่รู้ปัญหาในภายในมันคืออะไรเมื่อคนภายนอกไม่รู้ว่าปัญหาในภายในคืออะไรเขก็มองแค่ภายนอกเพราะนั้นตัวคนที่ประสบกับปัญหานั้นจะต้องเข้าใจเข้าใจปัญหาในสิ่งตัวเองเป็นอย่าพยายามใช้ตัวตนของตัวเองเข้าไปจัดการกับปัญหาเพราะเราไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้แต่สิ่งที่จะจัดการกับปัญหาได้คือการรู้ปัญหารู้เหตุให้เกิดปัญหารู้ว่าจะดับปัญหาอย่างนี้อย่างไรและรู้ว่าจะเข้าประหยัดการการดับการ การดับปัญหานั้นด้วยวิธีไหนนี่ต้องอาศัยความดูมันถึงจะสามารถดับได้หลักการอันนี้เป็นหลักการที่สามารถใช้ได้เสมอมันเป็นสภาวะนี่แล้วอาจารย์อย่งางที่เคยปฏิบัติมาระดับหนึ่แล้วพอเหมือนกับรู้ธรรมะว่า กูจะไปคุอยากจะบอกอ oh. สร้างคาบัาให้กับคนคนอื่นนะครับอันนั้นอันนั้นยังไม่สังวรในธรรมเดี uh. ย๋ยลืมว่าธรรมะมันใช้กับตัวเราเท่านั้นใช้กับตัวเราได้มากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีธรรมะได้เรียนรู้มารอเอเหรือาเอาไใช้กับตัวเองห้าสเรเรียนมาร้อยเอรตาไปใช้กับตัวเองร้เปซ็นไม่เป็นปัญหาแต่เรียนมาหสเปอร์เซ็นเอาไปใช้กับคนอื่นหมดห0เเซนต ตัวเองไม่ได้ใช่เลยคือเอาธรรมะไปบอกคนอื่นเอาธรรมะไปสอนคนอื่นเอาธรรมะไปแนะนําคนอื่นแต่ไ ม, ม่ยอมมาแนะนําตัวเองจนให้เกิดเข้าถึงมรรคผล อ, อ, อันนั้นอ่ะอันนั้นยังยังใช้ไม่ได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่ใช่ออกคนวัดไม่ใช่บําเพ็ญทุกขละียาผ่านมาได้แล้วก็เที่ยวไปพูดว่าตัวเองบําเพ็ญได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พวกไม่ไม่ได้พูดอย่างนั้ น, น, นพวกพูดแต่เพียงว่า โอ้ทำอย่างนี้ไม่บรรลุไม่ใช่เส้นทางหรือได้ถึงฌานสามาบัติแปดพวกก็มรรู้อ๋อมันก็ไม่ใช่ ก, การดับทุกข์เนี่ยพวกจะต้องหาทุกวิธีทางที่จะดับทุกข์ให้ตัวทูโฮเองก่อนเมื่อพู้องดับทุกข์ให้ตัวเองได้แล้วเนี่ยตอนเนี้พู้องจะใช้ธรรมะกับคนอื่นได้อย่างเต็มที่ใช้ยังไงก็ได้ทุกวันนี้ที่ ว, วุ่นายเพราะว่าพยายามให้คนอื่นทำ ใช่นั่ <laughs> ไม่ถูก <laughs> ้คือมันเลยรู้สึกว่ามันก็เกิดขึ้นกับเคยเกิดขึ้นกับผมมาแล้วมันก็เลยทให้ผมเข้าใจสิ่งที่าเจอพกีนี <c oughs> มันไม่ได้ง่ายครับแต่ว่าบางทีบางครั้งเรายังไม่เข้าใจแค่ประมอง <c oughs> มีเเราเข้าใจมันจริงริแล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจนะ นี่ต้องคุยต้องคุยกับยมน้องประสบการณ์การปฏิบัตินี่ต้องต้องคุยลูกมามาขอให้แต่งโครงสีสุภาพให้มันเมื่อก่อนมันทําไม่ได้มันแต่งไม่ได้ค่ะคือมันคิดว่าหัวมันตื้อหัวตื้อมันจะปวดหัวเครียดแล้วันนั้นให้ลูกให้มามาให้บอกให้แต่งมันก็ก็เห็นจิตนะคะมันพยายามจะคิดของมันค่ะ ใช่ถูกเนี่ยคือความถูกต้องเวลาเมื่อเราเราเจออะไรสักอย่างหนึ่งปั๊บเนี่ยจิตที่ผ่านการฝึกฝนมาเนี่ยตั ว, ต, วตัวที่เป็นปัญหาหืเรื่องอะไรบางอย่างที่เป็นมันมันผ่านเข้าไปที่เรามันเป็นความรับผิดชอบบางอย่างของจิตจิตมันจะรับเข้าไปสู่กระบวนการของการที่เจรณาค้นหาใช่ค้นหาวิธีการนี่นี่คือจิตที่มันมีคุณภาพแล้วนั่นนี่ ไม่ใช่จิตค่นทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นแหละมันพยายามค้นหาให้ได้ทําให้ได้มันก็ค้นค้นเสร็จเสร็จเสร็หรับสภาพความรู้สึกือเราไม่เครียดแล้วก็ค่อยค่อยค่อยคดูมไปดร่างจมันจะค่อยๆคิดไปอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่พอให้จิตมันทํางานของมันทำหน้าที่ของมันแล้วอสุดท้ายมันก็มันก็คิดอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่มันก็ไปยืมความคิดของลูกมานั่ง คือเอามาผนวกกันมันก็เอามาผสมผสานส่กันจนงจะแต่งออกมาได้นั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะถ้าถามมาก่อนรูปมันเล่นอย่างนี้ยเฮ้ยเขียดตายเลกดหัวแล้วลงทีก็เราก็อาจจะพูดไม่ดีกับลูปเนี่ยเรื่องกลาแต่ว่าเออมันอยู่ในสภาพอารมณ์ที่ดีคือค่อยๆคิดค่อยๆทํำกันไปใช่ นี่แหละเขาเรียกว่าไม่ได้ใช้อัตราในการทำแต่ใช้ความรู้ใช้ความรู้ในการทำานีส้สภาพที่บ้านก็ดียังไงของแม่ก็ฟั ง, งฟังเทศไปด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ที่สังขารก็ไม่เที่ยงงานก็ไม่เที่ยงเห็นเห็นบน่น <laughs> เห็นพูดเอาว่า ออคือยังเปิดเท็ของไว้ยสารก็เหเมื่อทุกวันนะคะอ๋ะได้เรื่องมแล้วเจ้านี่แหละธรรมะมันก็ขยายไปอย่างนี้แหละจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง<ม>เขาเห็นเราเปลี่ยนเขาก็จะเริ่มสังเกตเอง<ม>อ๋อเขาถึงจะเปลี่ยนตามเราแต่ถ้าเขาเห็นเราไม่เปลี่ยนเหมือนก็ยังเหมือนเดิมไอ้นี่ก็ยังเหมือนเดิมมันยังไงก็ไม่เปลี่ยนหรอกคนรอบข้าง<ม>หรือเฉพาะญาติพี่น้องพ่อแม่เนี้ย ไม่ใช่จะยอมลวงล่งลูกง่ายๆดินะแล้วเนี่ยยอมหมดเน่ยมพอเห็นเปลี่ยนไงอ๋อเป็นปฏิบัติภาวนามาอย่างนี้แล้วเปลี่ยนแต่เปลี่ยนนี้ไม่ใช่บังคับให้เปลี่ยนนะเปลี่ยนจากภายในก่อนหนึ่งออกมาสู่ภายนอกใช่ไหมเืออจากภายในก่อนภายในดีภายนอกก็ดีเออกูเลี้ยงลูกกูมาคนนี้กูเพิ่งจะเห็นมันดีนี่แหละเนี่ย เ, เออมันดีไปทาอย่างงี้มา ก็เลยเ ร, เริ่มยอมไปทีละหน่อยทีละหน่อยหน่อยพอฟังเทศไปเรื่อยๆ เ, เ, เรื่อยเริ่มเข้าหูแล้วแี่นี้แต่ก่อนไม่เข้าหูเยฟังอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันตู้นี่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเหมือนแม่ยอมว่าคนเข้าเห็นคนที่เข้าไม่ถึงธรรมะไม่ได้เข้าถึงธรรมะจริงๆ จ, จะไม่ฟังไม่รู้เรื่องนะแม่เองคล้าๆพูดเลยไงหมดเยแมะ ฮ่าฮะคือตัวทุกวันนี้คือเราเราเราเราเนี่ตัวเองแล้วเราก็ปฏิบัติแต่เฉพาะอย่างที่พ่อาจารย์บอกว่าเจ้าเขาเลิกเลิกเห็นเราเปลี่ยนเขามาคุยกับเราเราสามารถที่จะคุยหลักการและเหตุผลของพระพุทธเจ้าให้ความได้เยไม่ผิดหลักใช่มคือเราก็เข้าใจตรงนี้ด้วยตัวเราเองและเราถึจะถ่ายทอด ก็คือจะทำหน้าที่เฉพาะว่าถ้าเขามีสิ่งที่มาพูดคุยกับเราเราสามารถท<ม>ี่จะพูดคุยได้มไม่ผิดหลักการใช่ไหมไม่ผิดพูดดังแล้วถ้ายังก็คือตอนนี้มันเหมือนกับว่ามนุษย์ในยังหลักของผมเกิดมาในเป็นมนุษย์เนี่ยคือมันก็ต้องอยู่ในสังคมนะครับเนาะก็จะเริ่มที่ที่ตัวเองแล้วก็คนในครอบครัว<ม>ทีนี้การที่เริ่มคนในครอบครัวเนี่ยคือเราอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ย<อ>เห็นชอบเหมือนกับที่เราได้ได้เห็นเป็นถูกอ่ไรพวกเนี้ย ทีนี้ถ้าเราไปพูดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเหตุผลอะไรทีว่ามันเหมือนว่าเราไปพูดแล้วเหมืนเป็นการไปสอนเขาหรือเปล่าอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีใจมาราวนี่คือเราต้องหู้นนุดใช่ไหมหยุดใช่ไหมเนพระโมฆะลานะก็โปวดแม่ไม่ได้ภาษาลิบุตรครั้งแรกก็โปวดไม่ได้แม่ไม่ถือตามแม่บอกว่าไปหาสมณะโคดมนอกหลีกนอกศาสนาเห็นไหมไปทําไมท่านท่านที่ภาษาลีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากยังโปวดแม่ไม่ได้เลย เป็นอาขรรษาวกเบื้องขวาแต่สุดท้ายก็โปวดได้โดยอาศัยอาศัยความอาพาธคือตอนนั้นเจ็บป่วยคือด้วยดวงใจของแม่ที่เห็นลูกป่วยจิตใจก็อ่อนลงไม่แข็งกระด้างเหมือนเดิมพระสารีบุตรไปบินอาบาตบ้านแม่แม่ไม่ใส่บาตรเลยนะขนาดนั้นเลยนะแอนตี้ขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าไปลูกนอกรีบไปแล้วแต่พอพระสารีบุตรป่วยจิตใจความอ่อนโยนที่แม่มีต่อลูกคือแม่มีต่อลูกยังไงมันก็มันเห็นลูกเจ็บป่วยมันก็ ต้องออนนะจะไปกระด้างอยู่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็เลยจัดอาหารจัดอะไรให้จัดการต้อนรับดูการดานการดูแลให้เข้าไปพักในบ้านแต่กรนีไม่ได้เลยภาษาลิบุตรเอาหลานมาบวชหลานก็เป็นพระละหันแล้วก็ส่งหลานไปปวดปวดยัยปวดยัยปวดย่านโปวดแม่นะแม่ภาษาลิบุตรก็โปวดไม่ได้อีกก็ถูกไล่หนีอีกเหมือนกันถูกหล้านถูกไล่สังกิจจะไม่ใช่อะไรนะ จำชื่อไม่ได้ร้านภาษาริบุตรเป็นเนนอยู่ทีนี้ก็ด้วยความที่ภาษาริบุตรจับปริญญาพานแล้วก็เลยว่าอครสาวกอย่างเราเที่ยวสอนรำมากเกี่ยวคนอื่นบรรลุธรรมก็มากมายแตไ่ไม่สามารถสอนบรรดาตัวเองได้จากเป็นการถูกข้อรหาในภายหลังหรือว่าเป็นการพูดในทางที่ไม่ดีในภายหลัง เราจะต้องกลับไปปวดแม่ให้ได้ในชีวิตสุดท้ายก็เลยกลับไปพอกลับไปก็ยังไม่เทศนะก็ยังไม่เทศพอกลับไปแล้วพระอะไรพระ อ, อินท้าจดีโรกบาลทั้งสี่มาหาก่อนท้าพูดเทวดาผู้ ด, ดูแลรักษาลกูกก็แสงสว่างจ้าเข้าไปอยู่ในห้องของพระสารีบุตรแม่พระสารีบุตรสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีแสงสว่างจ้ามาที่ห้องของลูกสารีบุตรบว่าอ๋อเมื่อคือนนี้ เท้ามหาราชทังสีมาแม่ก็เลยเคิดโอโ้โหลูกเราทาไมมีอนุภาพมากขนาดนี้เท้ามหาราชทั้งสีม่มากราบมาเคารพวันที่สองพระอินมาทีเนี้ยแสงสว่างจ้า ก, กว่าเท้ามหาราชทั้งสี่แม่ก็สังเกตเห็นเนีเอ้าแสงสว่างอันนี้มันสว่างกว่าอันก่อนนน้นใครมาอีกนี่ลูกก็บอกว่าภาษาลิว ก, ก็เลยบอกว่าอันนี้พระอินมาเท้าส ก, กัดเทวราช แม่เลโอ้โหลูกเรานี่อนุภาพขนาดนี้เลยเท้าสักกะเทวราชมาขนาดนี้มากัามาทัศกาละไว้วันต่อไปจนเทวดาแต่ละชั้นก็มาจนถึงพ่อพรมมามาหาเท้ามาหาพรมมาสว่างจ้ายิ่งกว่าเทวดาชเหล่าอื่นนี้เนี่ยโอ้ไม่เคยเจอความสว่างสวัยขนาดนี้ลักษณ์ของพรมแม่ก็เลยตื่นตาตื่นใจแล้วเมื่อคืนใครมาล่ะลูกทำไมสว่างโลขนาดนั้นอนะ่ะโอ้เท้ามาหาพรมมาแม่ เอามาทําไมก็มาเคารวบสักการะนี่แหละมากราบมาบูชานี่แหละโอ้โคลูกเราประเสริฐขนาดนั้นเลยือลูกเรายอดเยี่ยมขนาดนี้เลยมาหาพรมมาคือพราหมณ์เขายึดถือพรมแม่นี่เป็นพราหมณ์นะเคารวบพรมมากที่สุดโอ้ขนาดมหาพรมยังมากราบไหว้ลูกเราแล้วก็เลยคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วสมณะโคดมจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอย่างเงี้ยเปลี่ยนเลยที่นี่ความคิดเริ่มเปลี่ยนนะ ภาษาดิบุก็เลยอาได้โอกาสก็ตอนนี้จะแสดงธรรมก็เลยแสดงธรรมให้แม่แม่บรรลุโสดาบันพอแม่บรรลุโสดาบันก็เลยอุทานเอ่ยขึ้นมาว่าลูกเอ้ยแต่ก่อนทําไมไม่มาบอกสิ่งที่ดีๆกับแม่อย่างนี้ทําไมเพิ่งจะมาบอกตอนนี้โอ้โหธรรมะของพระผู้ได้เจ้าประเสริฐจริงเนาะยาเจียมจริงเนาะอัศ จ, จริงเนาะโธ่ลูกทําทไมจะไม่มบอกมาตั้งหลายครั้งถูกไล่ห น, นีหมดเห็นไหมทิฏฐิมานะมันบังไง กันอะไเพราะฉะนั้นเราจะบอกความจริงกับใครก็ตามหากทิฐิมันยังกั้นอยู่บอกอยังไงมันก็ไม่ได้หรอกจนกว่าจะเห็นอะไรที่ตะ ท, ที่เปลี่ยนแปงแลงนะถึงจะเปลี่ยนไม่ใช่กูเห็นมึงเข้าวัดมาตั้งนานมึงก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันไม่เปลี่ยนไม่จะไปเปลี่ยนคนอื่นได้ยังไงตัวเองยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมล่ะก็เคยอันนี้ก็คือเกิดขึ้นกับผอมก็ มันเป็นเรื่องจริงนะครับที่คือต่อนนั้นนี้ก็ปฏิบัติธรรมนะแต่ด้วยความที่ว่าคงจะมีมันมันคงจะเป็นอารมณ์นครบคือด้วยความที่ว่าเราเราหวังดีเราหวังีกับกับี่กับพ่าวังดีนัประสงค์ร้ายนั่นและคแล้วมันเลยกลายเป็นแสดงอาการแบบใช่โมโหโกรธออกไปด้วยคาพูดคำจาที่ดีแล้วแม่ผมทักกลมาคําู่ว่าคุคนปฏิบัติธรรมเขาไม่ทำแบบนี้นะลูก ตือนับแต่วันนั้นมานเนี่ยคือเราเรามองเราเราเรแล้วเราก็มีย้อนอกลนะัไปว่านี่แหละคือด้านด้านมันเป็นตัวผมที่ผมอยากจะให้มีนะว่าถ้าถึงที่สุดของของคนที่ว่าถึงที่สุดของผมแล้วผมจะไม่ทำอีกแล้วแล้วนับแต่วันวัผมกับพี่ชายผมก็ได้พูดแบบนี้เลยเมื่อร่มะว่ามันมั น, ม, นมันเป็นอะไรแล้วนับ แ, แต่มาตรู้สึกว่ามันมันมันเศร้ามั น, น, นมันรู้แต่อารมณ์นออกไปแล้วใช่คือความโกรธคือภาษาที่บุธ๋ธรรมดา เราสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่เราทําไปแล้วนมาเป็นเครื่องเตือนสติเราในภายหลังได้อย่างน้อยเราก็ได้รับความรู้อย่างเงี้ยแรับความเศรหมองเอกดแล้วเราก็ทําให้ให้วิ่ชาเราเศ้าหมองโดยที่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำผิดอะไรมากมากนั้งทว่าเราก็ไปด่าเขาแต่เขาก็คงรู้ตัวแล้วว่าเออก็มันแก้ไขทาง น, นี้ได้ไม่ต้องปัญหาของเขาเองแต่ด้วยความที่ว่าพวบคุมอยู่กันเรายากจะแบบช่วยในการที่ว่สิ่งที่เราให้เขาในการจะมีความปกรธร้แล้วก็ มันเป็นดามที่ไม่ดีของเราแต่ก็ยังกลับไปขอโทษเขาด้วยนะขอโทษเขาด้วยเราเพราว่ามันมันจะไม่เกิดกึ้นก็ทํถาถูกแล้วมไม่อยากให้ดูว่ า, แ ล, แ, ลาแล้วเขาแล้วเขาพยายามบอกว่าสิ่งที่เราพูดไปนี้มันคือความจริงที่เขาเป็นอยู่คือเราพูดความจริงที่เขาฟังแต่แล้วอันั้นคือมันไม่ควรที่เราจะต้องพูดแบบนั้นคือเรากลับมองเป็นขั้นตอนสาแล้วแล้วมันก็มันก็หาไปเลยอารมณ์นันก็หาเพราะพอพอมันจะกลับมาหาเราอีกปุ๊บ มืนูมันจะรู้ตัวเลยรู้ตัวว่าเมันไม่ได้แ ล, แล้วเราก็จะไม่ทํากับใครมไม่ว่ากระทั่คนในข้อบ ค, ค, คนคนอื่น ท, ที่ที่ว่ามีโอกาสทำแต่เราก็จะไม่ทำก็เลยเหมือนเป็นบทเรียนชี <c oughs> วิตเลนะนัพอสมควรแก่เวลาวันนี้อื <c oughs> ขอความสุขความเจริญยิ่งนีแก่ญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ญาติโยม ท, ยที่อยู่ที่นี่ ใช้เวลาอธิบายธรรมะไลฟ์สดในเช้านี้แต่เพียงเท่านี้เอวัง